1 1 0กรรมฐานสาหรับพวกที่ติดจริตและตันหาจริตวงเล็บเปิด18ตุลาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที44วงเล็บปิดกรรมฐานที่ดูจิตดูใจเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองเพราะเราเป็นนักคิดแต่ละคนเป็นนักคิดในอภิธรรมก็สอนนะว่าพวกที่ถิดจริตพวกชอบคิดคิดมากเหมาะกับการดูจิต หลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อนะก่อนท่านมรณภาพไม่นานท่านเคยบอกไว้ว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นเราฟังแล้วไม่เชื่อหรอกนะแต่เราเคารพครูบาอาจารย์เราไม่เถียงถามว่าในใจเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อเพราะไปที่ไหนก็มีแต่คนดูกายแทบทุกสำนักมีแต่เรื่องดูกายเวลานี้มันจะเริญรุ่งเรืองขึ้นมา ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนแต่เดิมสังคมเราเป็นสังคมเกษตรคนชนบทเยอะคนทำไร่ทำนาอะไรอย่างนี้สิ่งที่เขาปรารถนาในชีวิตคือความสุขความสงบในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งไม่อยากคิดมากจิตใจเป็นพวกตันหาจริตรักความสุขรักความสงบรักความสบายพวกนี้ต้องพิจารณากายต้องมารู้กายฉะนั้นคำสอนรุ่นก่อนที่ครูบาอาจารย์พาธรรมมาก็คือให้ทําความสงบเข้ามาแล้วพิจารณากาย ถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติของคนกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่เป็นตัญหาจริตส่วนกลุ่มของพวกที่ติดจริตพวกคิดมากนี่จะไปทำความสงบขึ้นมาก่อนจิตจะไม่ยอมสงบเพราะจิตชอบฟุ้งซ่านก็เลยต้องดูจิตใจเอาในอภิธรรมสอนนะบอกว่าพวกตัญหาจริตให้รู้กายไปเพราะกายนี้จะสอนให้เห็นความจริงว่ามันไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายพวกตันหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงาม พอมาดูกายแล้วจะหมดความยึดถืออย่างรวดเร็วแต่การดูกายมีเงื่อนไขว่าต้องทำสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นในแนวครูบาอาจารย์วัดปา่าท่านให้ทำสมาธิก่อนนั้นถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทำสมาธิแล้วก็ต้องออกมารู้กายดูกายไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อจะทำสมาธินะทำสมาธิแล้วต้องมาค้นคว้ารู้อยู่ในร่างกายนี่ ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเรื่อยนี่แนวหนึ่งสำหรับคนซึ่งรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกคิดมากเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตในอภิธรรมสอนบอกว่าทิฏฐิจริตเหมาะกับการดูจิตและการดูจิตนี่เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับคนที่ดูเลยไม่ต้องทำฌานดูเข้าไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลัง เพราะฉะนั้นการที่ทำความสงบแล้วดูกายจนเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นการปฏิบัติแบบที่เรียกว่าใช้สมาธินำปัญญาส่วนการดูจิตดูใจแล้วเกิดความสงบขึ้นทีหลังเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิการปฏิบัติมีหลายแนวทางทางใครทางมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ทางใดผิดนะ ในที่สุดทุกคนก็จะมีทั้งสมาธิและปัญญาเข้าถึงวิมุตตหลุดพ้นอันเดียวกันพอขึ้นไปถึงยอดเขาได้เราจะรู้ว่าทางขึ้นเขาไม่ได้มีเส้นเดียวอย่างที่เราเคยคิดไว้อย่างคนที่กำลังไต่เขาขึ้นไปจะคิดว่าทางขึ้นเขาที่ดีที่สุดคือเส้นที่เราเดินอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์องค์ใดท่านขึ้นยอดเขาไปแล้วเวลาท่านสอนท่านจะสอนกว้างขวางบางคนท่านก็สอนดูกายบางคนท่านก็สอนดูจิต ท่านรู้ว่าทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องลอกเรียนแบบกันหลวงพ่อจึงไม่จัดคอสเพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันใครเหมาะอย่างไรก็ไปทําเอาหลวงพ่อมีแต่ไล่ไปสิโนนภูเขาโนนเรือนว่างใช่ไหมนี่ถ้าสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ไม่มีไปสิบ้านของเธอเองบ้านใครบ้านมันไปทําเอา